มหาโจรสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมหาโจรภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์ห้าประการย่อมงัดแงะบ้างทําการปล้นบ้างล้อมปล้นเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในทางเปลี่ยวบ้างองค์ห้าประการอะไรบ้างคือมหาโจรในโลกนี้หนึ่งอาศัยที่ขรุขระสองอาศัยป่ารก สาอาศัยผู้มีอิทธิพลสีแจกจ่ายโภกท้ัพย์ 5. เที่ยวไปคนเดียวมหาโจรอาศัยที่ขรุกระเป็นอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้อาศัยเกาะแก่งแห่งแม่น้ําหรือที่ขรุกระแห่งภูเขามหาโจรอาศัยที่ขรุกระเป็นอย่างนี้แหลมหาโจรอาศัยป่ารกเป็นอย่างไร คือมหาโจรในโลกนี้อาศัยป่ารกด้วยหญ้าบ้างป่ารกด้วยต้นไม้บ้างป่าที่มีแนวป้องกันบ้างแนวป่าใหญ่บ้างมหาโจรอาศัยป่ารกเป็นอย่างนี้แหลมหาโจรอาศัยผู้มิทิพนเป็นอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้อาศัยพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาเขาคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาอะไรเรา พระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาเหล่านี้ก็จะว่าคดีความช่วยปกป้องเราถ้าใครกล่าวหาอะไรมหาโจรนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้นต่างก็ว่าคดีความช่วยปกป้องเขามหาโจรอาศัยผู้มิทิพนเป็นอย่างนี้แหลมหาโจรแจกจ่ายโภคทรัพย์เป็นอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีสมบัติมากเขาคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาอะไรเราเราก็จักจ่ายโภกทระซับกลบเกลื่อนเรื่องนั้นถ้าใครกล่าวหาอะไรมหาโจรนั้นเขาก็จ่ายโภกทระซับกลบเกลื่อนเรื่องนั้นมหาโจรแจกจ่ายโภกทระซับเป็นอย่างนี้แหลมหาโจรเที่ยวไปนคนเดียวเป็นอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้เป็นผู้ทํำจรุลกรรมคนเดียวข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาย่อมปรารถนาว่าเรื่องลับของเราอย่าได้แพร่งพรออกไปภายนอกมหาโจรที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างนี้แลมหาโจรประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลย่อมงัดแงะบ้างทําการปล้นบ้างล้อมปล้นเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในทางเปลี่ยวบ้างฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุชั่วประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุชั่วในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. อาศัยกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมา 2. อาศัยที่เร้นลับ 3. อาศัยผู้มิทิพล 4. แจกจ่ายโภคทรัพย์ เ um, ที่ยวไปรูปเดียวภิกษุชั่วอาศัยกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาเป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวินัยนี้ประกอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาภิกษุชั่วอาศัยกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาเป็นอย่างนี้แลภิกษุชั่วอาศัยกรรมที่เร้นลับเป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวินัยนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิภิกษุชั่วอาศัยกรรมที่เร้นลับเป็นอย่างนี้แลภิกษุชั่วอาศัยผู้มิทิพนเป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวิ น, นัยนี้อาศัยพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาภิกษุนั้นคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาอะไรเราพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาเหล่านี้ ก็จักว่าคดีความช่วยปกป้องเราถ้าใครว่ากล่าวอะไรภิกษุนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้นต่างก็ว่าคดีความช่วยปกป้องเธอภิกษุชั่วอาศัยผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างนี้แหลภิกษุชั่วแจกจก่ายพระคทรั์เป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวิ น, นัยนี้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเภสัชบริการ เธอคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาอะไรเราเราจะแจกจ่ายลาบกลบเกลื่อนเรื่องนั้นถ้าใครกล่าวหาอะไรเธอเธอก็แจกจ่ายลาบกลบเกลื่อนเรื่องนั้นภิกษุชั่วแจกจ่ายโพคซัพย์เป็นอย่างนี้แหลภิกษุชั่วเที่ยวไปรูปเดียวเป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวิ น, นัยนี้อยู่ที่ชนบทชายแดนรูปเดียว เธอเข้าไปสู่ตรกูในชนบทนั้นย่อมได้ลาบภิกษุชั่วเที่ยวไปรูปเดียวเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุชั่วประกอบด้วยทำห้าประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกําจัดถูกทําลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ชีบุญเป็นอันมากมหาโจรสูตรที่สจบ สสมณะสุขุมาลสูตรว่าด้วยธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการชื่อว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยจีวรมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย เมื่อเขาขอร้องจึงฉ yeah. ันบินธบาตมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงฉันน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยเซนาสนะมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยคิฬานปัจัยเพศสัตบริษารมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย 2. เธออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเหล่าใดเพื่อนพรหมจารีเหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอ ด้วยกายกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยประพฤติต่อเธอด้วยวจีกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยประพฤติต่อเธอด้วยมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อย 3. เวทนาที่เกิดจากดี เวทนาที่เ <hockey> กิดจากเสมหะเวทนาที่เกิดจากลมเวทนาที่เกิดจากไข้สันนิบาตเวทนาที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลเวทนาที่เกิดจากการผลาเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกันเวทนาที่เกิดจากการภาคเพียงเกินกำลังเวทนาที่เกิดจากผลกรรมส่วนมากไม่เกิดแก่เธอเธอจึงมีความเจ็บไข้น้อยสี่ เธอเป็นผู้ได้ฌานสีอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. เธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอสศวะเพราะอาสศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลชื่อว่า เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงผู้ใดว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะบุคคลนั้นคือเรานั่นเองที่บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะเพราะเราเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยจีวรมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย เมื <het> ่อเขาขอร้องจึงฉันบินทบาทมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงฉันน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยเสนาสนะมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยคิฬานปัจจัยเพศบริขารมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยและเราอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่าใด ภิกษุเหล่านั้นประพฤติต่อเราด้วยกายกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยประพฤติต่อเราด้วยวจีกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยประพฤติต่อเราด้วยมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยและเวทนาที่เกิดจากดี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 พัศวิหารสูตรว่าด้วยพสุวิหา ร, ร, าาหารธรรมภิกษุทั้งหลายพาสุวิหารธรรมหประการนี้พสุวิหารธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตั้งมั่นกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจารยทั้งหลายทั้งต่อนหน้านและรับหลัง 2. ตั้งมั่นว่าจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสามตั้งมั่นมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจารยทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสี่มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิ เสมอ ก, กันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง 5. มีอริยทิฏฐิอันเป็นธรรมเครื่องนําออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทําตามเสมอ ก, ก, กันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังภิกษุทั้งหลายภาสุวิหารธรรม5ประการนี่แลภาสุวิหารสูตรที่5จบ อนันทสูตรว่าด้วยพระอานน์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขขรงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 1. น่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์พึงอยู่ภาสุขด้วยเหตุเท่าไรนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ภิกษุตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและไม่ติดเตียนผู้อื่นเพราะอธิศีลแม้ด้วยเหตุเท่านี้ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์ก็พึงอยู่ภาสุขได้ 2. องข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้เหตุอื่นที่ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์ พึงอยู่ภาสุก็มีอยู่หรือมีอานนภิกษุตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลไม่ติเตียนผู้อื่นเพราะอธิศศนและเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นแม้ด้วยเหตุเท่านี้ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์ก็พึงอยู่ภาสุได้ 3. าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้เหตุอื่นที่ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์พึงอยู่ภาสุก็มีอยู่หรือ มีอานอนภิกษุตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลไม่ติเตียนผู้อื่นเพราะอธิศีลเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นและเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นแม้ด้วยเหตุเท่านี้ภิกษุผู้อยู่ในสงก็พึงอยู่ผาสุขได้ 4. ี่ฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้เหตุอื่นที่ภิษุผู้อยู่ในสง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 ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์ก็พึงอยู่ภาสุได้อา น, นุ์เรากล่าวว่าภาสุวิหารธรรมอื่นที่ดีกว่าพระนิตกว่าภาสุวิหารธรรมนี้ย่อมไม่มีอา น, นันทสูตรที่หจบ เศีลและสูตรว่าด้วยศีลที่เป็นองค์ประกอบของภิกษุภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำห้าประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ส, สมาธิ 3. เป็นผู Double ้ถ um ึงพร้อมด้วยปัญญา 4. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของตอนรับควรแก่ทักษีนา ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกศีละสูตรที่7จบ 8. เอเซคะสูตรว่าด้วยธรรมของพระอเซคะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยอริยสีลขันอันเป็นของพระอเศสขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันอันเป็นของพระอเศสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นของพระอเศสขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมติขันอันเป็นของพระอเศคาร์ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมติญาณทัศนะขันอันเป็นของพระอเศคะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5าประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรเก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอเศขาสูที่8จบ เก้จาจะตุษทิศ ส, สสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปในทิศ ท, ทั้งสี่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้เที่ยวไปในทิศ ท, ทั้งสี่ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรุมด้วยการสังวรในปาติโมคเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิ 3. เป็นผู้สันโดดด้วยจีวรนบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศบริขารตามแต่จะได้ 4. เป็นผู้ได้ฌานสีอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาะ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 ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ควรอยู่ในป่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาฏิโมกข์ียบพร้อมด้วยอาจารและโครจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสองเป็นพหูสูรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิสามเป็นผู้ปรารบความเพียรมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลายสี่เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่ง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 อรัญญสูตรที่10จบภาสุวิหารวัคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. สารัชสูตร 2. อุสังกิตสูตร 3. มหาโจรสูตร 4. สมณสุขุมารสูตร 5. ้าภาสุวิหารสูตร 6. อานันทสูตร 7. ศสีลสูตร 8. อาเซขสูตรเก้าจาตุทิสะสูตรสิบอรัญญสูตรสองอันทกะวินทวั์หมวดว่าด้วยหมู่บ้านอันธกะวินทะหนึ่ง ลูรูปกระสูรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องในตระกูลทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งทำความคุ้นเคยกับผู้ม่คุ้นเคย สองสั่งการทั้งที่ตนไม่ได้เป็นใหญ่สามคบหาตระกูลที่แตกแยกกันสี่พูดกระซิบที่หูห้าขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องในตระกูลทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลประกอบได้ทำห้ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องในตระกูลทั้งหลายทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำความคุ้นเคยกับผู้ไม่คุ้นเคย 2. ไม่สั่งการทั้งที่ตนไม่ได้เป็นใหญ่ 3. ไม่คบตระกูลที่แตกแยกกัน 4. ไม่พูดกระซิบที่หู ห้าไม่ขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องในตระกูลทั้งหลายกุลูปะกะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปัจฉาสมณะสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการไม่ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณนะธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เดินห่างนักหรือใกล้นัก 2. ไม่รับบาตรหรือของในบาตรเมื่อพระอุปชาพูดใกล้อาบัดก็ไม่ห้าม 4. เมื่อพระอุปชากำลังพูดอยู่ก็พูดแทรกขึ้น 5. มีปัญญาซามโง่ขเขลาเป็นคนเซะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหละไม่ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการจึงควรพาไปเป็นปัจฉาสมณนะธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. เดินไม่ห่างนักไม่ใกล้นัก 2. รับบาทหรือของในบาท 3. เมื่อพระอุปชาพูดใกล้อาบัดก็ห้ามเสีย 4. เมื่อพระอุปชากำลังพูดอยู่ก็ไม่พูดแทรกขึ้น 5. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลจึงควรพาไปเป็นปัจชาสมณะ ภาชฌสมณะสูตรที่สองจบ 3. สัมมาสมาธิสูตรว่าด้วยสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการเป็นผู้มีอาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู่ได้ ทำห้ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีอดทนต่อรูป 2. เป็นผู้มีอดทนต่อเสียง 3. เป็นผู้มีอดทนต่อกลิ่น 4. เป็นผู้มีอดทนต่อรส 5. เป็นผู้มีอดทนต่อโผฏฐัพพะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำห้าประการนี้เป็นผู้ไม่อาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู่ได้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำห้าประการเป็นผู้อาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู่ได้ทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้อดทนต่อรูป 2. เป็นผู้อดทนต่อเสียง 3. เป็นผู้อดทนต่อกลิ่น 4. เป็นผู้อดทนต่อรส 5. เป็นผู้อดทนต่อโผฏฐะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้อาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู่ได้สัมมาสมาธิสูตรที่3จบ 4. อันตกะวินทะสูตรว่าด้วยหมู่บ้านอันตกะวินทะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่หมู่บ้านอันทกะวินทะแขว้นมคตครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอานนท์เธอทั้งหลายพึงอย่างพวกภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานพึ่อมาสู่ธรรมวินยัยให้สมาทานให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในธรรมหประการธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เธอทั้งหลายพึงย่างภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดํารงอยู่ในปาติโมคสังวรศีลว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสังวรในพระปาติโม่เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในอินทรีสังวรละศีลว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายมีสติเป็นเครื่องรักษามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีใจรักษาดีแล้ว ประกอบด้วยจิตที่มีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่ 3. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในการพูดมีที่จบว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้พูดน้อยพูดให้มีที่จบ 4. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความสงบกายว่า ผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงอยู่ป่าเป็นวัดจงอาศัยเสนาสนะงเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ 5. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในสัมมาทัศนะความเห็นชอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยสัมมาทัศนะ อานนเธอทั้งหลายพึงยังพวกภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานเพึ่มมาสู่ธรรมวินัยนี้ให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในธรรมห้าประการนี้แหลอันทะกะวินทสูตรที่สี่จบ มัชริณีสูตรว่าด้วยภิกษุณีผู้ตรณีภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมหประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ตรณีที่อยู่ 2. ตรณีตรกูล 3. ตรณีลาบ 4. ตรณีวันนะ 5. ตรณีธรรม ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมหประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. นไม่ตรณีที่อยู่ 2. อไม่ตรณีตระกูล 3. ามไม่ตรณีลาบ 4. ีไม่ตรณีวันนะห้ 5. ไม่ตรณีธรรมภิกษุทั้งหลาย พิสุนีประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แล่ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มัจริณีสูตรที่หจบ 6. กวัน น, นาสูตรว่าด้วย ภิกษุณีผู้สันเสริญภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยทำห้าประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พิจารณาไม่ตรายตรองสันเสริญคนที่ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ตรายตรองติเตียนคนที่ควรสันเสริญ 3. ไม่พิจารณาไม่ตรายตรอง แสดงความเลื่อมใสในฐานะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส4ไม่พิจารณาไม่ตรอยตรองแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส5าทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีประกอบด้วยทำห้ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาไตรตรองแล้วติเตียนคนที่ควรติเตียน 2. พิจารณาไตรตรองแล้วสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ 3. พิจารณาไตรตรองแล้ว แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 4. พิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 5. ไม่ทําศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบพฤทธธรรมหประการนี้แลย่อมดํารงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้วันนั้นนาสูที่6จบ อิสุกิณีสูตรว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความริษยาภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมหประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พิจารณาไม่ตรายตรองสรนเสริญคนที่ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ตร่ตรองติเตียนคนที่ควรสรนเสริญ ม, มีความริษยา 4. มีความตรนีห้าทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยทำห้ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยทำห้าประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาไตรตรองแล้วติเตียนคนที่ควรติเตียน 2. พิจารณาไตรตรองแล้วสันเสริญคนที่ควรสันเสริญ 3. ไม่มีความริษยา 4. ไม่มีความตรณี 5. ไม่ทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยทำห้ประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อิสุขินีสูตรที่7จบ 8. มิชชาทิฐิกะสูตรว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความเห็นผิดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีประกอบด้วยธรรมประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฟังไว้ธรรมประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พิจารณาไม่ตรายตรองสรรเสริญคนที่ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ตรายตรองติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ 3. มีความเห็นผิด 4. มีความดำริผิดทําทำศรัทธาไทยให้ตกไป ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมหประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประิษฐานไว้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งพิจารณาไตรตรองแล้วติเตียนคนที่ควรติเตียน 2. พิจารณาไตร่ตรองแล้วสันเสริญคนที่ควรสันเสริญ 3. ม, มีความเห็นชอบ 4. มีความดมฤชอบ 5. ไม่ทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มิช้าที่เตีย ก, กะสูที่8จบ